ท46โดยแท้จริงแล้วคิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแซนดี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าสดบักสบอมทีเดียวจตสิ่งอันแปลกประหาดวิกลวิการตามคารายงานของเกิดกับเสืยที่แจ้งลงมาให้ทําให้ลืมเรื่องความเจ็บปวดถัดยอดไปเสียหมดสิน้นทั้งสองอาศัยแสงสว่างจากพระที่มองเห็นเส้นทางขึ้นถนดดัดอยู่ก่อนและประกอบกับการนําของระพีนไต่าทางขึ้นไปยังตําแหน่งเป้าหมายโดยลืมเรื่องอื่นใดในขณะนี้ลงเสีย้่วขณาดสำหรับเร็วนั้นก็รวดเร็วฉับไวขึ้นอย่างมหัศจรรย์เหมือนกัน มันดูเหมืนจะไต่ล้ำหน้าพลานใหญ่ขึ้นไปใชอีกแสงรุดับมืดลงแล้วแต่แสงสว่างจากไฟฉายที่พวกข้างบนคอยส่องก็ยังจ้าอยู่แล้วก็ะเลี่ยงกันกลุ่มใหญ่ห้าหกคนที่มุงล้อมซากช้างเมื่อหือมาซึ่งขณะนี้อยู่ในลักษณะส่วนหัวทิ่มลงมาเสียบคายอยู่กับโคนหินที่หักสะบั้นไปแล้วโดยเลือดอุ่นๆของมันยังคงไหลนองเป็นทางลงมาไม่ขาดระ ย, ยะจากบาดแผลกระสุนไลเฟิลของระพินพวกนั้นส่องไฟไปที่ส่วนศีิสาของมัน ส่งเสียงพูดกันจอกแจกฟังไม่ได้สับไปหมดจริงตามที่เกิดและเสยวิทยุลงไปบอกทุกอย่างขนาดของมันไม่ใหญ่โตโมโหลานซักแค่ไหนทั้งสี่คนที่เพิ่งจิตกายขึ้นไปถึงและกะเรียงพวกนั้นก็หลีกเป็นช่องให้พร้อมทั้งชี้มือต่างจ้องเขมแงไปยังส่วนของงามันเป็นตําแหน่งแรกแล้วทั้งคิดเบลกับ Stanley, กแซลลีงงก่ก็แทบพล ง, งะตกใจก็แทบพลงะตกเขาไปอีกครั้งกระพินไพรวนันเบิร์ตาโปรงจ้องไม่กระพริบต่อมาก็ยกมือขึ้นยี่ตาแรงๆแล้วลืมขึ้นดูอีกครั้ง ลำแสงไฟฉายที่พันสว่างมากหลายดวงจับและกลาดไปมาอยู่เฉพาะที่นั่นตาเขาไม่ฝานไม่มีอะไรบิดเบือนไปจากทัศนาภาพที่มองเห็นกันอยู่ทุกคนในขณะนี้เลยงางา ม, งามโค้งงอนของไอ้ยักษ์ใหญ่คู่นั้นมันเป็นงาสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งแท่งและทั้งสองข้างไม่มีวีแว่แววแม้แต่น้อยนิดว่ามันจะเป็นสีดาหรือแม้แต่ครั้งผิดจากงาช้างปกติทั่วไปจนนิดเดียว ความเงียบปกคลุมบริเวณชานหินตำแหน่งนั้นอีกครั้งเสียงพวกเกรียงที่พูดกันอยู่แทรกเมื่อครูก็พลอยสงบเมื่อคณะเจ้าหนายทั้งหมดเข้ามายืนจ้องพิจารณาอยู่ในขณะนี้ประพินเคลื่อนช้าๆอย่างมึนงงเข้าไปเซตนั่งอยู่ในระหว่างงานทั้งคู่ของมันเอามือเอื้อมไปแตะลูกลุมเพื่อให้แน่ใจที่สุดว่ามันเป็นสะสารไม่ใช่เกิดจากภาพมายาแล้วมันก็เป็นสะสารจริงๆ ราสัมผัสแตะต้องได้แตนลีย์คิดอิสเบลก็ตรงเข้ามามุง่งก็ตรงเข้ามามุ่งจนชิดอะไรกันนี่มันเป็นไปได้ยังไงแสตลีย์อุทธานออกมาเสียงสูงจากความตะลึงงนันคิดยอดนักโวยที่สุดบันนี้กลับไม่มีเสียงเลยตาเหลือกรอกอยู่ไปมาส่วนเบลยกมือข้างหนึ่งขึ้นอุดปากตัวเองไว้มันจะไม่ให้มีเสียงใดๆรุดออกมาสภาพบรูดไพรแตะตรวจและส่องไปดูตั้งแต่ส่วนปลายของมันไล่ขึ้นไปเป็นลําดับ จนถึงโคนงาที่หายเข้าไปในโคนงวงทั้งสองและเพื่อให้แน่ใจที่สุดเขาชักมีดโบวีติดเอวเ อ, อกมาแงะงัดส่องไฟดูในส่วนที่ฝังหรือเข้าไปในเนื้อโคนงาพร้อมจั ง, งโงก์ลงไปดูมันก็คืองาช้างสีปกติธรรมดานั่นเองแต่เป็นคู่ที่ใหญ่งามได้ส่วนสัตว์เยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเขาเอานิ้วเกาปลายทางเบาๆเงยหน้าขึ้นมองดูคณะนายจ้างทั้ง3ที่สุดคุกเข่าลายล้อมอยู่ใกล้ๆ ทั้งสามท่านคือดรสแตนลีย์คีตและอิสเบลมองเห็นช้างตัวนี้ก่อนผมเพราะอยู่ในตำแหน่งที่เยื่องจากก้อนหินบางยืนยันได้ไหมครับว่าขณะที่มันกำลังงัดก้อนหินงัดก้อนหินก้อนบนงโงนเงนอยู่และทั้งสาคนช่วยกันระดมยิงก่อนผมนั้นมันเป็นช้างงาดำพอเอ่ยถามขึ้่อนบาๆพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติธรรมดาที่สุดผมรู้สึกว่าผมจะเป็นคนลั่นกระสุนคนแรกเพราะเห็นมันกำลังใช้ส่วนหัวดันก้อนหินก้อนนั้น อเมริกันอาวุโสของคณะพูดเสียงแหบพระแทบจะจับสับไม่ได้สีหน้าของเขายามนี้ปั้นยากที่สุดผมยืนยันในวางงาทั้งสองข้างของมันดำสนิททีเดียวผมก็เห็นชัดๆว่ามันเป็นงาดำตอนนั้นแสงตะวันยังไม่มืดมองเห็นอะไรไม่ถนัดพอสมควรพันเอกคิดยันมาอีกคนหนึ่งอยู่ในอาการพิพักพิพ่วนที่สุดเบลล่าคุณแน่ใจมเขาแลไปทางแม่ผมแดงซึ่งยังอุดปาก ตาเบร์โพองอยู่อาการของหลอนอยู่ในภาวะขวัญกระเจิงจนแทบจะควบคุมไว้ไม่อยู่ไม่ตอบท่อยคำไร้ได้แต่อูดปากตัวเองแน่นอยู่เช่นนั้นรพินไม่คาดทั้นแต่บอกเรียบร่าแผ่วเบาว่าผมอยู่ในมุมอับครับสําหรับในครั้งแรกที่เห็นหินก้อนนั้นโยกครอนแต่พอมันงัดหลุดลงมาผมก็เห็นมันถนัดชูวแว บ, บเดียวขอยืนยันอีกคนว่าผมก็เห็นว่ามันมีงาสีดําเหมือนนินเช่นทุกคนเห็นเหมือนกันจากนั้นผมก็ยิงแล้วมันก็ถล่มลงมาพร้อมๆกับก้อนหินที่มันงัดตกลงมา กระแทกหินที่หินกิ่วมาหาการก้อนนั้นยังแปลได้ว่าเราเห็นและยืนยันกันได้ทั้งสี่คนสายตาสี่คู่ขณะนั้นมันคือไอ้นาดําตัวนั้นแน่แน่แต่คุณพระช่วยเดี๋ยวนี้ล่ะมันคือไอ้ตัวไหนกันแน่แซนลี่สัมลักกระพินชี้ให้ดูรอยกระสุนที่ทะลุผ่านออกกลางศีรษะก็ตัวเดิมกับที่พวกเราสี่คนเห็นนั่นแหละครับจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้เพราะรอยกระสุนที่ผมยิงปรากฏชัดอยู่ไม่เพียงแต่เฉพาะรอยกระสุนของผมเท่านั้น มีรอยกระสุนของพวกคุณอีก3าคนปรากฏอยู่ตามลําตัวของมันด้วยแต่ไม่ถูกที่สําคัญเฉียบขาดนะเข้าท้องบ้างแต่โพกหลังบ้างตอนนั้นง่ามันสีดําแต่อยู่นี้ทำไมง่าของมันถึงเสียงของคิดที่เบาที่สุดขาด้ายไปแค่นั้นกระเดือกเต้นพรานขึ้นลงขึ้นขึ้นลงล ง, ล ง, ลงประพินเรียกเกิดกับเสยให้เข้ามาใกล้ทั้งสองยังอยู่ในอาการเต้นหน้าเลิกลากไปหมดโดยกับเสยใครขึ้นมาถึงซากช้างนี่ก่อนกัน ก็พร้อมๆกันเลยนายรวมทั้งโบเมียอูทะพัโตและก็ะเลียงพวกนี้ด้วยเห็นยังไงก่อนในครั้งแรกบอกให้ละเอียดสิก็เห็นมันนอนหัวที่มอยู่อย่างนี้เลยนายครั้งแรกก็ไม่สงสัยอะไรเพราะมองเห็นปลายงาของมันเป็นสีดําแต่พอเข้ามาใกล้เอ๊ะตรงโคนมันขาวนี่นะมาช่วยกันดูต่อไปอีกก็เห็นชัดๆกับตาว่าสีขาวมันค่อยๆไล่สีดําจากส่วนโคนออกไปเรื่อยๆก็เลยบอกลงไปที่นายแล้วพอนายและพวกในห่างตายขึ้นมาถึงมันก็เปลี่ยนสีไปทั้งหมด ทั้งสองข้างกลายเป็นงาขาวไปคาใจายอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละเก <c oughs> ิดกับเสยชิงกันบอกเสียงสัน่นมาคุเทศผู้ยิ่งยงนิ่งไปกึ่งอึดใจก็ยืนขึ้นช้าๆฉายไฟสอ่อตรวจ ด, ดูขึ้นไปบนแง่หินสูงขึ้นไปโดยกระดาช้าๆไล่ไปทุกซอกระหว่างนั้นแสตดี้คีตและเบลก็เข้าไปตรวจหารอยกระสุนของพวกตนที่ยิงไว้ก่อนหน้าซึ่งก็พบว่ามีรอยอยู่จริงๆอีก 3-4 รูตามลําตัวเป็นรอยของ4 5ดสบ้างรอยของ M16 บ้างแต่ไม่ใช่ตําแหน่งที่จะหยุดมันลงได้ชัอย่างเชียบพลัน ยกเว้นกระสุนของระพินที่เสยจากใต้คางผ่านเข้าสมองมันเป็นผลให้มันดับสนิทและทิ้งซากไว้เป็นพยานหลักฐานทำไมคุณไม่พูดหรือให้ความเห็นอะไรบ้างเลยระพินอิสเบลเพิ่งจะเอ่ยขึ้นมาได้เป็นประโยคแรกหล่อนพูดเหมือนคนร้องไห้ผมเองก็งงเหมือนพวกคุณทุกคนเหมือนกันไม่สามารถจะให้ความเห็นอะไรได้อย่างชนิดมั่นใจยกเว้นแต่ว่าจะตั้งสมมุติฐานเท่านั้นคือเดาเอาและคุณเดาว่ายังไงแซนลีย์กับคีดถามพร้อมือนนัดกันไว้ ไม่มีไอ้งาดําในป่านี้หรือป่าไหนในโลกนี้หรอกครับเพราะงาช้างมันก็จะต้องเป็นสีงาเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละแต่ที่เราทั้งสีคนหรือใครอื่นก็ตามที่เคยเห็นมันเป็นไอ้งาดํามาแล้วนั้นขณะที่เห็นมันเกิดขึ้นด้วยอาํานาจไซเวสดี้ลับที่เข้าบงการมนต์มืดกริยาคมชนิดนั้นที่ขณะครอบงำอยู่ก็บรรดาลให้สีของงากลายเป็นสีดําสนิทไปแต่ขณะนี้มันถูกปืนดับชีวิตลงแล้วกริจยามน์ที่ครอบงำสิงสู่มันอยู่ก็เสื่อมฤทธิ์ลงทําให้สีงาของมันกลับคืนมาสู่สภาพเดิม เพราะฉะนั้นไอ้งาดําไม่ได้มีเพียงตัวเดียวซีแล้วนะครับมันจะโผล่ออกมาให้เราเห็นอีกเมื่อไหรก็ได้ทั้งสิ้นตราบใดก็ตามที่อํานาจมืดที่ปองร้ายเราอยู่ในขณะนี้ยังไม่หมดสิ้นไปถ้ามันกําหนดลงช้างตัวไหนเพื่อให้เป็นตัวดําเนินงานของมันงาของช้างตัวนั้นจะกลายเป็นสีดําทันทีก็ น, นักว่าเราได้หลักฐานอย่างชนิดคาหนางังคาเขาทีเดียวที่ล้มตัวที่มีงาดําลงได้โดยเห็นชัดๆแบบนี้แล้วมาเห็นงามันเปลี่ยนสีภายหลังตายแล้วถ้ามิฉะนั้น เราจะไม่มีโอกาสรู้ได้เลยในกรณีที่ไม่สามารถติดตามเจ้าตัวที่มีงาสีดําได้พบเนื่องจากมันจะเป็นจะทําให้เป็นสีดําเมื่อไรก็ได้จะให้กลับมาเป็นช้างงาสีธรรมดาเมื่อไหรก็ได้แต่นี่มันตําตาเลยนี่คือการสันนิษฐานหรือดาวของผมระหว่างที่แซนดี้และคิดยังอ้าปากค้างเบล์คลางออกมาฉันคิดว่าฉันคงบ้าตายไปเสียก่อนถ้าคืนเดินทางในเส้นทางนี้อีกต่อไปทําใจให้มั่นคงไว้เบล ย่งน้อยก็พิสูจน์ได้แล้วว่าต่อให้มันมีอภินิหารฤทธเดชกันเพียงไหนลูกปืนของเราก็ยังสั่งสิทธิ์ชั ง, งกอยู่เสมอเราต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันในทุกรูปแบบด้วยสติและพลังใจแน่วแน่มั่นคงไม่ต้องไปหวาดผวาเกรงกลัวมันยอมผมยอมรับพฤติการทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเร่นงานเรามาแล้วเป็นการทําลายขวัญอย่างหน้าสยดสยองที่สุดแต่เราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเป็นเปราะๆจาไว้ไม่กลัวเสิยอย่างเดียวเท่านั้นเราจะชนะมันได้ เจ้าสิ่งประหลาดที่คุณเรียกว่ามันตรายนั้นใช่ไหมที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเมื่อน้าคณะถามภายหลังจากพยายามระ ง, งับประสาทที่ตลิดเปิดเปิงให้กลับคืนมาปราพินขยี้ปลายจมูกครับทุกสิ่งทุกอย่างมาจากมันเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นถ้าเรากำจัดมันลงได้สิ่งลี้ลับหน้าสะพรึงกลัวเหล่านี้ก็จะหายหมดสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกผีดิบหรือช้างผีสิงทั้งหลายผมเชื่อว่าผมจะแก้ตกได้รับมือกับมันไว้ได้อยู่แต่กรุณายอย่าเพิ่งถามผมว่าจะทำเช่นไรคุณว่าขณะนี้ไอ้ผีดิบมันตรายอยู่่่่ททีีีไไหนคดดดถาาามอยงยงงรเสสุ มันก็หลบไปแล้วนะสิครับภายหลังจากทํางานของมันสําเร็จลงแล้วขั้นหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือทําให้ภูเขาถล่มลงใสเราได้แม้ว่ามันจะเสียพาหะแลอลูกมือสําคัญของมันไปตัวหนึ่งโดยทิ้งเป็นหลักฐานให้เราเห็นชัดๆเกี่ยวกับอํานาจทางสายเวทมืดของมันที่สิงช้างผมว่าเราเลิกสนใจช้างงาดําได้แล้วครับเพราะเราพอจะจับเคล็ดได้ว่าเหตุใดมันถึงมีงาสีดําตอนนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือช่วยกันทันมาพิจารณาปัญหาสําคัญดีกว่าคริส เชิดบูดบุญคำและจันอยู่ที่ไหนพวกเราทั้ง4ี่คนยังปลอดภัยดีหรือเปล่าเพราะทางด้านเราปลอดภัยกันทุกคนแล้วกล่าวจบเขาก็ชวนให้คณะนายจ้างไต่หน้าผาเพื่อกลับลงไปสมทบ ก, กับพวกลูกหาบและกระเรียงอพยพข้างล่างทันทีพร้อมทั้งโบกมือให้ลูกน้องที่ตามขึ้นไปด้วยเหลานั้นเคลื่อนย้ายลงด้วยปล่อยซากช้างให้อยู่ตรงตำแหน่งนั้นขาลงแซนลี่ออนเปรียลงไปมากประพินสั่งให้เกิดและเสยคอยประครบคอยประครบใกล้ชิดประคบประคองอยู่ตลอดเวลาระวังไม่ให้ทะลายลื่นพลัดตกลงไปในขณะที่หัวหน้ า, นาคณะค่อยๆต่อย ค่อยไต่ลงอย่างหมดเรียวแรงไรเฟิลและเครื่องหลังที่ติดอยู่อันเป็นภาระหนักหน่วงถั่วเขาสั่งให้ถอดออกหมดเพื่อให้เบาและคล่องตัวโดยให้พรานหนุ่มของเขาทั้งสองช่วยแบกลงไปให้ชีดนั้นกําลังวังช่า ย, ยังพอมีส่วนเบลไม่มีอะไรต้องห่วงเนื่องจากหล่อนไม่เป็นอะไรมากนะพักใหญ่ทั้งหมดก็ขึ้นไปบนหน้าผาก็ลงมาถึงพื้นเบื้องล่างที่กองพนันสูงสู ง, สงต่ำต่ ำ, ต ำ, ตำไปได้วยก้อนหินที่ถลม่มทลายลงมาเดยมีพวกกรี่ยงอบพยกชุมนุมรอคอยอยู่ก่อนแล้วอิสเบลใช้ ว, วิทยุเรียกบุคคลทั้ง ที่ศูนย์หายไปอย่างปราจากร่องรอยนับตั้งแต่ภูเขาถล่มโดยเรียกเป็นระยะระยะไปจะไม่มีเสียงตอบอยู่เช่นเดิมไม่ว่าหลอนจะใช้ความพยายามถือวิทยุกรอกเสียงเรียกและเดินไปตามก้อนหินก้อนหินที่ ส, ส, สมทับเส้นทางเดิมอยู่กัอบจะตลอดทั้งแนวทางบีบขนาบแตนลี่กับคิดนั่งพักนั่งซึมกันไปแต่เปิดวิทยุฟังอยู่ตลอดเวลาคงได้ยินเฉพาะเสียงของเบลเรียกอยู่ไฟเดียวเท่านั้นประพินก็เดินตรวจส่องไฟไปตามแนวหินที่หล่นสุมลงมาเหล่านั้นเพื่อจะหาลู่ทางเพื่อจะพบตำแหน่งไหนว่า เรื่องมีหินกรบชนิดเบาบางอยู่บ้างอาการของเขาเหมือนจะหาทางมุดลงถ้าเป็นไปได้แต่ปราศจากผลมันตันทึบไปหมดไม่มีเสียงตอบเลยเอาอยัางไงดีระพินในที่สุดหัวหน้าคณะก็ถามขึ้นอย่างปริวิตรกเห็นเด่นชัดคุณพอจะกัดฟันเดินต่อไปได้ไหวไหมครับไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นผมต้องการเคลื่อนย้ายพวกเราทั้งหมดไปให้ถึงที่นัดหมายแนะเสียก่อนคือยอดเนินสักดําเราจะพักที่นั่นและรอคอยฟังคำพวกเขาที่นั่นเพราะอยู่ตรงนี้ไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวง สเนี่ยกนาฬิกาพลายน้ำขึ้นดูและบอกด้วยเสียงหนักแน่นอันแสดงถึงกำลังใจอันมั่นคงเด็ดเดี่ยวว่าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้ขอให้อยู่ในความเห็นชอบของคุณก็แล้วกันถ้างั้นเคลื่อนต่อเถอะครับเดินกันกลางคืนนี่แหละหนทางต่อไปนี่สะดวกสบายแล้วและผมแน่ใจว่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วสําหรับระยะทางช่องเขานี่ไปจนถึงเนินอันเป็นที่หมายของเราตกลงหัวหน้าคณะยืนขึ้นทันทีประพินตะโกนสั่งความกับคนของเขาและพวกก็เรียงทั้งหลายโวกเบกันอยู่อีกครู่กองคาราวานก็เริ่มตั้งแถวใหม่และเดินไต่ไปตามถนนสายใหม่ ระหว่างช่องเขานั้นยังไม่ยอมชักช้าเสียเวลาใดใดทั้งสิ้นเกิดนํำขบวนลูกหาไปเบื้องหน้าเสยและโบเนี่ยคุมกระเหลี่ยงอพยพอยู่ด้านหลังกระพินกับนายจ้างทั้งสามของเขาไว้กลางขบวนพร้อมทั้งเดินไปเป็นเพื่อนด้วยต่างค่อยๆผ่านช่องทางมรได้ะอยู่นั้นจนกระทั่งพ้นบริเวณที่หินถลม่มเข้าสู่เส้นาทางดะทางด่านฝายตรงข้ามที่ราบโลง่งกว้างใหญ่สองข้างทางเป็นป่าหินที่สูงใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปนะักไต่ระดับขึ้นไปสูงเป็นมุมราวยี่สบองศา เข้าสู่เชิงเขาอีกลูกหนึ่งที่ขวางอยู่เบื้องหน้าลักษณะนี้อยู่ในสภาพที่เรียกว่ารอนแรมบุกบันกันไปอย่างทรหดด้วยความจําเป็นบีบบังคับและเป็นการเดินในเวลาตะวันตกดินไปแล้วเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางกันมาทุกคนเงียบและซึมได้ยินแต่เสียงฝีเท้าที่เหยียบย่ำกันไปเบลไม่เรียกวิทยุอีกแล้วเพียงจะเปิดคอยรับฟังเท่านั้นอย่าว่าแต่อนเลยแม้แต่ระพินเองก็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อคิดถึงคณะพักทั้ง4ี่คนที่เงียบหายไปอย่างปราศจากวี่แวว ทั้งหมดเคลื่อนขบวนกันไปท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็นและความวิเวกบนสันเขาแสงใต้ที่จุดพราวสว่างสวัยแต่แรกนับตั้งแต่มาชุมนุมรอฟังเขาวกันอยู่ตรงตำแหน่งหินถล่มใต้หน้าผาบัตรนี้ส่วนใหญ่ถูกดับอย่างสงวนเชื่อเพลิงคงมีอยู่บ้างประปรายสำหรับการสองทางเท่านั้นวิทยุติดต่อบัตรนี้อยู่ที่เกิดเครื่องหนึ่งตามเดิมในฐานะที่เดินนำอยู่เบื้องหน้าขบวนและสเตอร์ลีได้มอบหมายของตอนเองให้แก่เสือ์อีกเครื่องหนึ่งในฐานะที่คุมอยู่ท้ายขบวนสุดเพื่อว่าหาเกิดอะไรขึ้น ก็จะได้ติดต่อส่งข่าวถึงกันได้ทันทีในระหว่างสามจุดที่เคลื่อนกันไปคือส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลังตัวหัวหน้าคณะเองซึ่งตามปกติอยู่ในเกณฑ์สูงอายุอยู่ก่อนแล้วอยู่ในอาการพอบกประเปลี่ยเห็นชัดระพินกําหนดให้อูฐและพาโต้เข้ามากระนาบข้างพอยพยุงหิว้วปีกนาเดินขณะที่หนทางไต่ขึ้นไปในระหว่างป่าหินอันมืดสนิทสเตอลี่จับระบอบช้ามากกว่าทุกคนในขณะที่หินเกิดถล่มขึ้นและควรได้พักผ่อนได้เร็วที่สุด คิดนั้นอย่างมากที่สุดก็เพียงแค่บาดแผลสดซึ่งภายหลังจากเย็บแผลและเยียวยาแล้วก็กล่าวแกล้กงโทรโหดกับเหมือนเดิมเยี่ยงชาติทหารเจนสึกส่วนเวลพ่อแป่หมดสิ้นทั้งแรงและกําลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลขีดสุดของหล่อนไปอยู่ที่คริสติน่าและเชิร์มุตซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนผู้ร่วมคณะอันยังไม่ทราบชะตากรรมแต่สำหรับตัวหล่อนเองนั้นกว่า 80% เชื่อแน่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ข่าวคราวหรือพบเห็นกันอีกแล้ว เรพินเดินคุ้มประกบเยื่องหลังหล่อนเพราะสังเกตเห็นชัดและอ่านความรู้สึกของแม่มสาวได้อย่างดีที่สุดครั้งหนึ่งระวางตายทางชันขึ้นไปบนหนอะบนเนาะหนอะ ท, ที่งอกอยู่ระเกะ ร, ระกะไปหมดหล่อนหยุดหอบและกอดย่อดินไว้ซบหน้าลงกับท่อนแขนพรานใหญ่เข้ามาหิ้วปีกไว้พร้อมทงชุดดึงด้วยพลังแขนอันมั่นคงพยักหน้าให้เดินต่ออดทนหน่อยเบลอีกเดี๋ยวเดียวก็จะถึงที่หมายแล้วเขาบอกแถวตำ่ำยิ้มปลอบใจพรายวัน เสียงของหลอนแตกพร่าความมืดได้บังน้ําตาที่คลอเบ้าทั้งสองไว้สมมุติว่าถ้าเราไปถึงที่พักแล้วและรอคอยอยู่ที่นั่นจนกระทั่งรุ่งเช้าแต่ยังไม่ได้ข่าวคนทั้งสี่เราจะทํำยังไงกันต่อไปคําถามประโยคนี้สร้างความอัดอัน้นลําบากใจให้แกเขาขีดสุดบัดนี้เขาตระหนักแน่แกใจแล้ววันในบรรดาฝ่ายนายจ้างทั้งห้าคนอันหมายถึงมีคนไทยร่วมอยู่ด้วยเพียงคนเดียวคือเชอิดวุดซึ่งร่วมเป็นร่วมตายมา ด, ด้วยกันแม้ในเวลาปกติจะมีการกระทบกระทั่งหรือ ก, กินในกันบ้างในบาง ทางส่วนตัวเช่นไรก็ตามแต่ยามเมื่อถึงคราววิบัติภัยเกิดขึ้นทุกคนก็มีความระค่วงใยและกังวลถึงกันเป็นอย่างยิ่งอันพิสูจน์ให้เห็นแล้วเป็นแก่นแท้จริงใจของบุคคลที่ร่วมคณะมะลาวนี้มีความสามัคคีกันอย่างแน่นแฟน้นแต่เดิมทีนั้นมันจะมีหรือไม่ก็ไม่ทราบได้แต่การได้มามีชีวิตร่วมเผชิญภัยกันในป่าลึกชนิดที่จะต้องรวมชีวิตทั้งหมดเข้ามาล่อร้อมเป็นชีวิตเดียวกันสร้างความสัมพันธ์ทางใจอย่างเหนียวแน่นที่สุดทุกคนไม่มีใครแสดงความเห็นแก่ตัว และพร้อมที่จะเสียสละให้แก่กันได้คุณลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต่างมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ท่ามกลางมหันตภไยของป่าดงพงพีแท้ๆพีตและสเตนลีย์ก็ย่อมจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับเบลล์ั่นแหละเพียงแต่ความเป็นชายทําให้ทั้งสองเก็บซ่อนวีแววของความหวั่นไหววิตกกังวลไว้อย่างมิดชิด ต, ต่างกับเบลซึ่งอ่อนแอกว่าความคิดคำนึงของเขาถูกปลุกขึ้นด้วยการย้ำถามในประโยคเดิมของเบลเราหวังไม่ว่าจะพบคนทั้งสี่ ตามไปยังตำแหน่งนัดหมายภายในคืนนี้หรือยอย่างช้าพรุ่งนี้ถ้ายัางไม่มีวี่แววเพนระยะนิดหนึ่งเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดผมจะอ้อมเขาลูกนี้ไปอีกทางด้านหนึ่งอันควรจะเป็นทางออกของพวกเขาและจะลองมุดทําเข้าไปติดตามค้นหาดูเราตั้งความหวังไว้ในแง่ดีก่อนว่าเราตั้งความหวังไว้ในแง่ดีก่อนดีกว่าเบลโดยหวังว่าพวกเขาจะไม่เป็นอะไรเมื่อหินถล่มลงมาปาตอบด้วยน้ําเสียงหนักแน่นมั่นคงออกไปเช่นนั้นแต่ใจจริง รานใหญ่ก็คิดเช่นเดียวกับเบลนั่นแหละโดยเฉพาะคําพูดประโยคสุดท้ายของคริสตินา่าก่อนที่จะพระแยกจากกันซึ่งรลอนโบกมือบอกแฟรเวลกับเขาไว้ยังนั่นมันน่าจะหมายถึงรอยลางสั ญ, ญลักษณ์อําลาชั่วนิรันท์ทั้งสองเดินกระซิบกันไปตามลําพังในขณะที่คิดและสเตนลีย์ก้มหน้าก้มตาเดินเงียบกริบโดยไม่เอ่ยคำใดอีกทั้งสิน้นแต่แน่ละในใจของทั้งสองจะต้องครุ่นคิดหนักพระถ้าคุณตามเข้าไปแล้วไม่พบละ่ะอิสเบลพูดเบาที่สุด ก็แปลว่าคณะของเราไม่มีคริสเชิร์ดวูดบุญคําและจันอีกต่อไปแล้วแผนการต่อไปนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้างานของคุณคืออาจขออนุญาตจากหน่วยเหนือเดินทางกลับเพราะที่ขาดลูกทีมงานสําคัญหรือมิฉะนั้นก็อาจเดินทางต่อถ้าหากพิจารณาเห็นว่าที่เหลืออยู่เพียง3ามคนคือหัวหน้าของคุณคิดและตัวคุณเองพอจะทํางานต่อไปได้หรือมิฉะนั้นก็อาจวิทยุ ข, ขอผู้ร่วมงานใหม่มาเพิ่มเติมสําหรับผมนั้นจะอย่างไรก็ได้ทั้งสิ้นสุดแต่จะสั่ง ในฐานะผู้นําทางยินยอมรับไม่ว่าพวกคณะนี้พวกเราอยู่ในภาวะคับขันที่สุดทีเดียวสองคนบาดเจ็บแทบจะเรียกว่าสาหัสอีกสี่คนสูญหายผมบอกคุณแล้วว่าอย่าเพิ่งวาดภาพร้ายเกินไปนะก่อนที่เราจะเข้าถึงความจริงให้แน่ชัดเสียก่อนการขับขันหรืจะเรียกว่าพราดของเราในครั้งนี้ถ้าจะมาเทียบกับสมัยที่ผมเคยนําคณะในจ้างชุดก่อนบุกเทือกเสิวะมันร้ายกาศ ร, รุนแรงยิ่งกว่านี้หลายเท่านั้น พวกเราในชุดนั้นต้องพลัดพรากจากกันตกอยู่ในภาวะตายแล้วเกิดใหม่คนละหลายหนหลายคลาแต่ในที่สุดเราก็ตามกันจนพบและรวมพวกกันอีกจนได้และนึกย้อนหลังสักนิดเวลก่อนการออกเดินทางคืนสุดท้ายที่เราพักกันอยู่ที่ทบ้านพักน้องน้าแห้งของผมผมได้เตือนให้พวกคุณทุกคนได้จําหนักถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางมาในเส้นทางสายนี้ก่อนแล้ว แต่ขณะนั้นพวกคุณไม่เชื่อถือเลยเห็นเป็นเรื่องเลวหลายในที่สุดก็มาพบกับของจริงอย่างนี้เพียงแค่ระยะเดินทางอันจะเรียกได้ว่าขั้นต้นเท่านั้นขอถามสักนิดถือว่าพวกคุณเห็นผมทําอะไรละหลัวไม่รอบข้อพอหรือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบลจับแขนเข้าไว้นั่นยามนี้หลอนหาใช่วัตถุแห่งความใคร่แล้วไม่หากจะเป็นลักษณะของผู้ร่วมเป็นร่วมตายของคณะประพินคุณทําดีที่สุดแล้วพวกเราไม่มีใครโทษคุณเลยแต่หวังว่าคุณคงไม่โกรธ ถ, ถ้าหากชันหรือพวกเราจะแสดงความวิตกกังวลบ่วงใหญ กับพวกเราที่หายเนี่ยไปใต้หินถล่มนั้นเยาว่าแต่คุณเลยผมเองก็วิตกไม่น้อยไปกว่าพวกคุณเหมือนกันเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อความปลอดภัยในทุกชีวิตอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับคณะของพวกคุณให้มันเกิดกับตัวผมได้ยังดีกว่านอกเหนือจากคริสและคุณเชิดบุตรที่เป็นฝ่ายของพวกคุณและคนคู่ชีพของผมอีกสองคนลาบุญคํากับจนันที่ผมต้องห่วงถึงเขาอย่างยิ่งเหมือนกันถ้าจะพูดถึงความทุกข์ลวผมน่าจะมีมากกว่าพวกคุณซะอีกขณะนี้มันเพียงแต่ว่า ผมไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นเท่านั้นมันเป็นแก่นแท้จากความรู้สึกจริงใจของคนชื่อรพินภัรวันเบลบีบแขนเขาหนักแรงอีกครั้งก่อนจะปล่อยออกฉันเห็นใจคุณและขอโทษถ้าหากจะพูดหรือแสดงอะไรออกไปเป็นการไม่สมควรฉันสารภาพกับคุณมานานแล้วฉันเป็นคนออนแอ์ที่สุดในคณะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปแล้วคุณจะเข้มแข็งกล้าแกร่งขึ้นเป็นลําดับดูหัวหน้าคณะคุณเป็นตัวอย่างขณะนี้ผมเชื่อว่าเพราะทุกนักก็ทุกคนไหนตัวเองจะเจ็บมากซึ่งก็ยังพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อจะกรบเกลื่อนปิดบังและเดินทางต่อไปให้ได้โดยไม่ต้องการให้เป็นภาระของใครในายจะวิตกวงใยญ่ถึงลูกน้องถึงลูกน้องที่หายไปยังไม่ได้ข่าวแต่เขาไม่ยอมพูดอะไรสักคําอาแต่กัดฟันเดินความจริงผมจะต้องให้เขาพักทันทีที่นี่แต่มันจําเป็นจะหยุดไม่ได้เลยจนกว่าจะถึงที่หมายและถ้าเขาเดินไม่ไหวพวกเราก็จะต้องแบกเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อถึงที่พักเมื่อไหรเรื่องอื่นคุณหยุดไว้ก่อนรักษาดูแลสุขภาพอาจารย์ของคุณให้เต็มที่ผมยังไม่แน่ใจในการตรวจแบบเคร่าๆรีบรีบด่วนของคุณเมื่อกี้นี้หรอก ดีไม่ดีอาการเขาอาจหนักลงกว่าเก่าก็ได้เราแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เห็นกันอยู่ชัดๆก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปคํานึงถึงสิ่งที่ยังมองไม่เห็นและยังไม่อาจช่วยเหลือทําอะไรได้ทั้งคีดและดรสแตนลีย์อยู่ในเกณฑ์สาหาัสทีเดียวที่ยังเห็นเดินบากบั่นไปกับเราได้นั้นเป็นความมานะอดทนของเขาขีดสุดโดยพยายามปิดบังซ่อนเร้นความเจ็บปวดทรมานเอาไว้แม่ผมแดงเงียบกริบแลนเพิ่งจะมาจนหนักแน่เอาเดี๋ยวนี้เองว่าอารีนเยนเจอแมนด้วยสุภาพรูดย่างแท้จริงนั้น ไม่ได้อยู่ที่กริยาท่าทีหรือฐานะเสื้อผ้าอภรรยา ใ, ใดาเลยแต่อยู่ที่อุปนิสัยใจคอและแก่นแท้จริงใจตลอดจนหน้าที่การรับผิดชอบตั้งหากและมคุเทศนำทางหินคนนี้มคุเทศนำทางหน้าหินคนนี้ก็คือสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงดังกล่าวหล่อนรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีโอกาสม า, มาร่วมทางกับเขาในครั้งนี้เท่านั้นนอกเหนือไปกว่านั้นก็ยังมีลักษณะของผู้นำอันสร้างความอบอุ่นไว้วางใจแก่ทุกคนในคณะได้อย่างเต็มเปี่ยมสิ่งเหล่านี้ แฝงซ่อนอยู่ใต้ผิวเปลือกเบื้องนอกที่ดูว่าแข็งกระด้างย่าโสเห็นแก่ตัวและเต็มไปได้วยความซ่อนเร้นเงียบงำามทุ่มตรงเพงขณะขณะที่สบักสบอมก็บรรลุถึงเป้าหมาย่านใหญ่กําหนดไว้คือยอดเนินของศักดิ์ดำซึ่งเป็นบริเวณป่าโปรง่งบนยอดเขาการวางแคมป์ก็ไปทาขึ้นในทันทีพร้อมทั้งการหุงหาทุกอย่างถูกดําเนินการอย่างรวดเร็วฉับไวมันเป็นยอดเขาชายภูมิที่ปลอดโปร่งที่สุดเท่าที่จะหาได้ ปืนไฟถู ก, ก่อขึ้นเพื่อยึดเป็นที่แหลมคืนสําหรับราตรีอันสับสนนี้ประพินขอร้องคณะในจ้างของเขาที่เหลืออยู่ในขณะนี้อย่าเพิ่งวิทยุรายงานข่าวร้ายใดๆขึ้นไปยังหอบังคับการลอยที่ควบคุมการเดินทางอยู่ก่อนในยามนี้และขอให้ทั้งคีต ก, กับแซนลี่นอนพักโดยเร็วที่สุดโดยการร่วมมือของหมอเบลลคีตและแซนลี่จึงถูกดับเครื่องด้วยยานอนหลับอย่างแรงภายหลังการตรวจสอบสุขภาพให้แน่ใจอีกครั้งว่าจะไม่มีอะไรแทรกซ้อนรุนแรงดังนั้นภายหลังการรับประทานอาหารเพียงแค่ลองท้องเล็กน้อย อเมริกันทั้งสองก็หลับอย่างสลบสะไลในกลุ่มของบุคคลชั้นหัวหน้าจึงเหลือเพียงเขาและเบลสองคนเท่านั้นเพราะโชคดีที่แทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยจากหินถลม่มไม่มีวี่แววว่าบุญคําจันทรเชิดวุฒและคริสตินะ่าจะตามมาสมพบ ก, กับคณะส่วนใหญ่ยังตำแหน่งที่กําหนดนัดหมายไวน้นี้ไม่มีแม้แต่เสียงตอบ ร, รับหรือเรียกทางวิทยุมือถือซึ่งเบลเปิดคอยฟังอยู่ตลอดเวลาบรรยากาศภายในแคมป์ท่ามกลางกองไฟที่สุมอยู่เป็นหย่อมๆเครียดหนะัก อากาศทีวความหนาวจัดขึ้นทุกทีเมื่อเวลาล่วงไปและหมอกเริ่มปกคลุมขามัวไปหมดบัดนี้หน้ากองไฟที่สุมอยู่ใกล้กระโจมพักของนายจ้างอันมีคิดกับสเตนรลี่ซึ่งนอนหลับไปแล้วอย่างผู้บาดเจ็บได้ลิ์ของยาระงับประสาทอิสเบลนั่งเคลึ้มอยู่บนขอนไม้ริมกองไฟเมื่อมองดูเปลวสีแสที่แลบเลียสูงๆต่ำๆอยู่กับท่อนฟืนนานๆก็จะเหลือบดูนาฬิกาข้อมือสักครั้งส่วนรอพินพร้อมเกิดและเสยขอตัวเอาไปตรวจดูรอบๆอานาบริเวณอันเป็นที่พักพวกกระเรียงอพยพ และพวกลูกหาบส่วนใหญ่พักนอนกันหมดสิ้นแล้วเรียงรายอยู่เป็นจุดๆยกเว้นแต่พวกที่ถูกกาหนดให้อยู่ยามตามไฟคู่ใยายต่อมาจอมพานก็เดินกลับเข้ามาในบริเวณพร้อกับคนของเขาทั้งสองสั่งการอะไรอยู่คู่ทั้งเสยและเกิดก็แยกกันไปนอนตัวเขาเองขยับจะเดินไปที่พวกซึ่งเฝ้ายามอยู่แต่เหลือมาเห็นเบลเสียก่อนจึงเดินตรงเข้ามายืนตรงหน้าโดยมีกองไฟกั้นไว้เบลคุณควรจะนอนพักเสเถะเชื่อผมน้ําเสียงของเขาเคร่งครึมแต่แฝงแววอ่ อ, อนโยนปราณี ่อนเหลือบตาขึ้นมองพางขยับเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่คลุมใหย่ลายอยู่ให้แนบกระชับกับตัวถอนใจยาวฉันคงหลับได้ยากมากคืนนี้แต่ถ้าจะหลับก็เห็นจะต้องพึ่งวาเรียมเหมือนอาจารย์กับคีธเช่นกันเป็นไงบ้างคุณออกไปตรวจดูรอบๆบริเวณแล้วไม่ใช่หรือพอจะมีเข้าเงื่อนความหวังบ้างไหมเรายังพอมีเวลาเห็นความหวังจนกว่าจะเช้าเขาตอบไม่ตรงคาถามสาหรับคุณถ้าเชื่อผมก็เข้านอนพักเถอะ น, นอนให้หลับเอาแรงไว้แม้จะต้องพึ่งวาเลียมก็ตามมานั่งรอฟังข่าวอยู่แบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรผมสัญญาว่าทั้งสี่คนนั่นมาถึงเมื่อไหร่ผมจะปลุกพวกคุณขึ้นทันทีถ้าทั้งสี่คนนั่นมาถึงเ บ, บลทวนคำเน้นช้าๆมองข้ามกองไฟมาที่ใบหน้าแข็งกระด้างเป็นมันเลื่อมเหมือนหินสลักนั้นแปลว่าคุณยังมีความหวังอยู่อีกหรืออาดัคไนส์อัสซิ s บตดนสิงเสียงของมกคุเทศนาทางต่ำลึก เบลฝืนยิม้มเอามืออันเย็นเฉียบทั้งสองอังเปลวไฟแล้วแงนมมองดูทองฟ้าเบื้องบนอันมนสนิทถึมทึบด้วยหมอกใช่ในราตรีที่มืดสนิทหากมีดาวแม้เพียงดวงเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเสียเลยแต่คืนนี้ฉันมองไม่เห็นดาวสักดวงแม้แต่พยับหมอกและฟ้ามืดทะมึนวิทยุของผมได้ยินสัญญาณอะไรบางอย่างแวออกมา คล้ายๆกับจะเป็นเสียงพยายามเรียกแต่ยังจับสับไม่ได้แน่ชัดนะขณะที่ผมเดินเรียบไปทางไหล่เขาด้านเหนือเมื่อกี้นี้เขาพยายามปลอบใจเบลซันซิสฉันก็เปิดวิทยุแสตล่ายอยู่ตลอดเวลาสาบานว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยถ้าคุณได้ยินเสียงจริงอาจเป็นเสียงของคลื่นอากาศหรือมีเช่นนั้นก็เกิดจากแกล่าธตุอะไรบางชนิดไม้นิ้วของคุณเองก็ควรจะไปกระทบเข้ากับตุ่มสแค ว, ส, วสของวิทยุนั่นค้าวทาให้เกิดเสียงสู้ขึ้นเหมือนใครพยายามเรียกมา ไม่เคยมีครั้งใดเลยนับตั้งแต่พบเห็นกันมาแต่ครั้งแรกจนกระทั่งร่วมเดินทางมาด้วยกันที่รพินจะเห็นอิสซาเบลซึ่งซึมหงอยเหงาเหมือนคราวนี้ตามปกติแล้วหล่อนเป็นคนร่าเริงแจ่มใสอยู่เป็นนิดหูตาท่าทีถ้อยสำเนียงล้วนขี้เล่นและก่อวนกามาตลอดการแต่ยามนี้ไม่เหมือเหลือเข้าอีกเลยแทบจะกลายเป็นคนละคนแววตาหมองเศร้าอิดโรยอย่างน่าสมเพชผมขอร้องอีกครั้งนอนจะเถอะหมอเบลผมเองก็จะนอนพักเหมือนกันเราเหนื่อยกันเหลือเกินตลอดวันนี้ คุณไปนอนก่อนเธอให้ไม่ต้องห่วงฉันหรอกให้ฉันนั่งอยู่ที่นี่อีกสักสองสามนาทีระพิน์สุดกายลงบนก้อนหินเตี้ยๆฝั่งตรงข้ามกับหล่อนเอาละผมขออนุญาตให้คุณนั่งอยู่ที่นี่ได้อีกห้านาทีและขอสั่งให้คุณเข้านอนเลยขณะ น, นี้หัวหน้าใหญ่เลือดอาจารย์ของคุณก็กลายเป็นคนป่วยนอนหลับไปแล้วรวมทั้งเคเนีลครีต ด, ด้วยผมจําเป็นจะต้องรับภาระหัวหน้าของคณะทั้งหมดแทนซึ่งคุณจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผมโปรดอย่าเขี่ยมเคลียมดุดันกับฉันนะขณะนี้ ฉันเปรียบเหมือนตัวคนเดียวแล้วนะพวกฉันมาได้กันห้าคนสองคนเปรียบเสมือนคนทุพพลภาพชั่วขณะนะและหลับไปแล้วอีกสองคนเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่ทราบได้เหลือฉันอยู่คนเดียวเท่านั้นฉันว้าวเวหลือกินก็เห็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งปรึกษาในขณะนี้ได้แล้วเบลก็น้ําตาไหลพร่าลักษณะบอกชัดว่าอยู่ในการขวัญเสียอย่างหนะักถูกแล้วหล่อนอ่อนยาวเด็กกว่าทุกคนในคณะจอมพรานถอนใจเยือกลุกขึ้นจากที่เดิมไปนั่งใกล้หล่อนโอ๊บกอดไว้พร้อมกับตบที่ต้นแขนเบาๆ ผมหังดีต่อคุณไม่ได้เยี่ยมเกรียมดุดันอะไรหรอกและเข้าใจความรู้สึกของผมในขณะนี้ดีและเข้าใจความรู้สึกของคุณในขณะนี้ดีเบลชี้มือเข้าไปในกระจมพักพูดเสียงเครือทั้งร้องไห้คิดดูในนั้นเราเคยนอนรวมกันอยู่5้าคนจริงอยู่คืนนี้แม้เราจะนอนกัน3คนคืออาจารย์คีดและฉันแต่ทั้งสองคนนั้นไม่ต้องพูดถึงเขาก็เปรียบเหมือนคนตายไปแล้วช่วขณะเพราะเจ็บป่วยคงเหลือฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นคนเดียวที่จะต้องนอนลืมตาโพราะคิดถึงพวกเราอีกสองคนที่สูญหายไป มันจะทรมานสักแค่ไหนจะหันหน้าไปหาหรือใครก็ไม่ได้พระพินฉังขอร้องประเดี๋ยวให้คุณให้พรานของคุณคณในใดคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนฉันสักคนได้ไหมในนั้นฉันไม่กล้านอนคนเดียวตกลงเดี๋ยวผมจะสั่งเสืดให้เข้าไปนอนเฝ้าเป็นเพื่อนคุณอยู่ในกระโจมนั่นด้วยและตัวผมเองก็จะหาที่นอนอยู่ใกล้ๆกระโจมพักของคุณนี่แหละไม่ห่างไปไหนหรอกขอบคุณขอบคุณอย่างที่สุดกายของหลอนสะท้านสั่งยกมือทั้งสองขึ้นแตะซับน้ําตาที่แก้มดูๆไปแล้วก็น่าสมเพชไปอีกแบบหนึ่ง สำหรับอิสซาเบลในภาวะเช่นนี้คุณเป็นหมอเบลถามจริงๆเถอะอาการของด็อกเตอร์แซนลี่เป็นยังไงบ้างต้องดูพรุ่งนี้ขณะที่เขารู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งฉันรู้สึกว่าเขาจะได้รับความกระทบกระเทือนที่สมองมากคิดเองก็จัดว่าหนักแต่เขายังชั่วกว่านิดหน่อยเพราะมีแต่บาดแผลสดเท่านั้นแต่อาจอักเสบและระบบ ม, มากเมื่อกี้นี้ก่อนจะหลับเขามีอาการไข้เมื่อทุกคนตกอยู่ในภาวะย่ำแย่โดยมีคุณปลอดภัยเรียบร้อยที่สุดอยู่คนเดียวในคณะของฝ่ายคุณ คุณก็จะต้องทําตัวให้เข้มแข็งที่สุดอย่าออนแอเป็นอันขาดผมรับรองได้ว่าผมและพวกผมซื่อสัตย์สุจริตต่อพวกคุณเสมอกล่วาวจบเ้าก็ประคองหลอนให้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับใช้วิทยุของตนเรียกเซยอยู่ครู่เดียวเจ้าพรานเด็กหนุ่มก็โผล่เข้ามาเสยในห้างบล็อกและในห้างคิดเจ็บมากคงจะนอนสลบสลายทั้งคืนโดยไม่รู้สึกตัวจนกว่าจะเช้าเซยเข้าไปนอนเป็นเพื่อนแหม่มเบลในกระโจมนั่นด้วยคืนนี้แหม่มเบลขวัญไม่ค่อยจะดีนะฉันจะคอยดักฟังข่าวบุญคํากับพวกนั้นเอง เสรยรับคํำยังว่าง่ายประพินหันมาพยักหน้ากับอิซาเบลและจูงมือหล่อนนําไปส่งยังเต้นพักแรมแบกม่านกระโจมให้และผมแดงพุมพําขอบคุณเขาอีกครั้งก่อนจะก้าวเข้าไปและเจ้าพรานเด็กหนุ่มก็มุดลอดประตูกระโจมเข้าไปด้วยประพินไพรวันถอยกลับมาเตรียมที่นอนของเขาตรงบริเวณกองไฟใกล้ๆ ก, กระโจมพักของนายจ้างหลังแต่พื้นศิรษะหนุนเป้ลายฝุนและไฟฉายวางไว้ข้างๆกายเขาเองก็ไม่หลับโดยง่ายเช่นกันนอกจากจะนอนสูบบุหรี่มองอย่างปราศจากจุดหมาย ขึ้นไปบนท้องฟ้าดำมืดบัดนี้รอบอนาเขตค่ายพักเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงฟืนแตกประทุในกองไฟ น, น, นานๆครั้งและสายลมเย็นเชียบที่พัดกิ่งไม้ไหวคิดถึงยอดรักดารินคิดถึงภาพของตนเองที่ตกหน้าคริสและหยาดน้ําตาของหล่อนก่อนที่จะบอกลาระหว่างเดินหายเข้าไปในพายุก้อนหินถลม่มคิดถึงเชิดวุฒิผู้ซึ่งท่านในพลบิดาได้ฝากฟังกับเขาไว้คิดถึงพรานคู่ใจซ้ายขวาบุญคำและจันท์แล้วก็ปร่งถึงอาตมา เกิดเป็นระพินไพรวันเหตุใดจึงอาพับอั ป, ปภาคนะักเหนื่อยยากลำเค็นเลือดตาแทบกระเด็นมาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยมีความสุขสมจินเหมือนใครอื่นเข้าบ้างเลยนี่จะมีชีวิตลำบากยากแค้แนแสนเข็นไปอีกนานสักเท่าใดเนาะรำพึงตรึกนึกแล้วคนที่เคยเข้มแข็งทรหดที่สุดก็น้ำตาตกในเขาเบื่อชีวิตบดเบื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากจะให้มีพรุ่งนี้อีกแล้ว